อาจารย์ครับการนมัสการครับผมท่านอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สอง้อยหกสิบแล้วนะครับพระอาจารย์ครับก็โดยประมาณก็ครบห้าปีนะใช่ครับอาจารย์ครับสองหห้าครับไม่เคยขาดเลยมัห้าสิบสองตอนนี้ไม่เคยไม่ยังไม่เคยขาดเลยครับพระอาจารย์ครับมีทุกสัปดาห์ครับผม ครับครตอนนั้นตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาครับคุณคุณว่าไาาด้กล่าวในมโนพระอาจารย์แน่ครับผมช่วงก็เป็นเะดียง5ปีมาใช่ครับพระอาจารย์ครับก็้5ปีนี่69กกว่าปี64นะใช่ครับพระอาจารย์ครับตอนนั้นคิดว่าจะได้มิมโนพระอาจารย์ครั้งเดียวโอ้โหทำมาถึง260ครั้งแล้วครับพระอาจารย์อืม ทมไปเมรัยแน่นอนก็ทาไปตามใดที่มีเหตุปัจจัยให้ทําได้ก็ทําไปถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยก็หยุดก็ต้องหยุดไปตามครับพระอาจารย์ครับคขอบคุณพระอาจารย์ที่ไม่ตามาโดยตลอดครับผมตอนนี้ก็มีผู้ชมประมาณเก้าร้อยคนแล้วครับพอาจารย์ครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปมีสมาชิกคนเยอะไหมครับผมเก้าสี่ร้อยสามสิบคนอครับเก้าส่ามสิบตอนบ่ายเยอะหน่อยสองรอยห้าสิบ วันนี้มาสงมาใจได้เโอ้วันนี้เยอะเลยครับรวมไปก็ทั้งหมดเก้าร้อยกว่าเก้รอยสิบสองครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ตั้งหัวข้อว่าเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายครับเพราะว่า อ, อบางคนพอฟังว่าเป็นโรคมะเร็งหรือญาติป่วยไม่รู้จะทําทใจยังไงครับวันนี้อยากกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมก็ตามหลักพระพุทธศาสนา เราทุกคนก็จะต้องเจอโลกสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นรักษาเองชนิดที่สองเป็นรักษาถึงจะหายแล้วเจอชนิดที่สามที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนี่เราคงจะพูดถึงโลกชนิดที่สามนี้นนกันจะมีโรคที่หมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะนอกจากประคับประคองไป นั้นเองแต่จะรักษาให้หายกงไม่หายกานประคับประคองไปบางทีมันก็ทรมานไ ป, ปเปล่าๆเพราะว่าคนไข้ก็เร่าทุกทรมานก็อาการเจ็บปวดไปเรื่อยๆแล้ว่าถึงแก่ความตายในที่สุดอทนนี้ถ้าเราเจอโรคที่สามนี่เราจะทำยังไงดีปัญหาก็คือเอามีแล้วโรคแทรกซ้อนขึ้นมาโรคหนึ่งคือโรคใจคือความทุกข์ใจ ซึ่งเป็นโรคตามจากโรคของร่างกายรคของร่างกายเนี่ยก็หมอกรักษาไปตามตามอาการตามเหตุตามปัจจัยรักษาไม่ได้มอกว่าบอกว่าก็ทา ไ, ม, ไม่ได้มีแต่จะตายเพียงอย่างเดียวจะตายชา้าจะตายเร็วทีนีพอเคยเห็นอย่างนี้ขึ้นมาคนไข้ที่ไม่เคยได้ ศึกษาประธรมรมคาสอมและปฏิบัติธรรมก็จะตกใจเกิดความอาลัยตกเกิดความกลัขึ้นมาเพราะไม่มีใครอยากตายกันทุกคนเกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่กันไปเรืเ่อยๆแต่สัจธรรมความจริงของชจวิตก็คือเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วจะทำยังไงที่จะทําทให้าจเราไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย ซึ่งถ้าเราได้ศึกษาไดปฏิบัติาจะรวิธีว่าท า, าสนามียารักษาโรคใจที่เรียกว่าธรรมะโสถธรรมสก็คื อ, อยาที่เราเอาใช้ในการรักษาความทุกข์ใจที่เกิดจากการเจอความตายของร่างกายองค์ประกอบของยาในธรรมอโสถนก็มีอยู่สามประการามส่วนในการที่ ที่สําคัญก็คือสติสมาธิและปัญญาเถ้าเราสามารถจเจริญสติได้เราก็จะนั่งสมาธิได้ทําใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้ า, าทําใจให้นิ่งให้สงบใจจะเป็นอยูเบิกขาเราใจจะไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายขอ ง, งร่างกายเราจะ ต่ไม่เดือดรอนเฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นไหมอ่อันนี้ต้องใช้ยาอี ก, อกส่วนหนึ่งก็คือปัญญาปัญญาก็จะสอนใจให้ดูความจริงว่าร่างกายนี้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรธรรมชาติเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงก็จะทําให้ทุกข์ใครก็ตามที่มาครอบครองร่างกายแล้วอยากจะให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายอยู่ไปตลอดไม่ตายก็จะต้องทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วความทุกข์นี้ก็เกิดจากความอยากนี้เองไม่ใช่เกิดจากความตายของร่างกายความอยากให้ร่างกายเที่ยงความอยากให้ร่างกายไม่ตายอันนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจ แล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราจะทำาย่างไรเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ตายนี้ให้ได้ด้วยการมองความจริงว่าเราอยากให้มันไม่ตายแล้วมันทำให้มนุร่างกายมันไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้มันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเราปล่อยเราใช้สมาธิช่วยถ้าเรามีสมาธิเราสามารถหยุดความอยากนี้ได้ยอมรับความจริงนี้ได้ว่าร่างกายต้องตาย มันกลายเป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขับรถเนคนขับไม่ได้เป็นอะไรเวลาเวลารถยนต์เกิดชำรุดสียทรงขึ้นมาก็ส่งเข้าอู่ไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่เท่านั้นเอง อันนี้คือปัญญาเราต้อสอนใจให้มองให้เห็นว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนคนเราเป็นใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งจากใจเพราะใจต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกายไปหามาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆร่างกายใจจึงยึดติดกับร่างกาย พราถ้าไม่มีร่างกายใจยจะไม่มีวิธีหาความสุขก็เลยไม่อยากให้ร่างกายตายแต่ถ้าเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิเราสามารถเข้าถึงความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายเพราะเราก็ได้ความสุขจากสมาธิได้ พอเรามาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายว่ามันต้องตายห้ามมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันตายไปเพราะว่าเราไม่ไม่เดือดร้อนเราอยู่ได้เรารู้ว่าเราอยู่ได้เพราะเราอยู่กับความสงบได้เรามีความสุขกับความสงบได้ออันนี้แนะคือปัญญาวิธีสอนใจใเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วความอยากยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่ เพราะสมาธิไม่ได้เป็นตัวที่ไปกาจัดความอยากไม่ตายเพียงแต่ไปกดความอยากไม่ตายไว้ชั่วข้าวไม่ให้ทำงานแต่พอออกจากสมาธิมาพอเจอคิดถึงความวามันเป็นความตายของร่างกายก็ไม่อยากให้ร่างกายตายขึ้นมาทันทีเพราะเกิดความอยากไม่ตายความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นทันทีถ้าไม่อยากให้ความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับความจริง ว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายไปเป็นธรรมด า, าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องอาศัยมันนะเรารู้แล้วว่าเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยอยู่กับความสงบสาเหตุที่ใจเราไม่สงบก็เพราะความอยากนี่ถ้าเราอยู่ความอยากได้ใจก็จะกลับมาสงบเหมือนตอนเข้าสมาธิแต่ที่นี้ไม่ต้องเข้าสมาธินะสงบด้วยการใช้ปัญญากาจัด ตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือความอยากถ้ า, าจะใช้ปัญญาแบบนี้รับความอยากไม่ตายได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายต่อไปถ้เจ็บก็ไม่ก็ไม่กลัวเพราะเราก็ใช้แบบเดียวกันร่างกายต้องเจ็บถ้ามันไม่ได้แต่ใจสามารถรับรู้ความเจ็บได้เลยที่ไม่ไม่ก่อความทุกข์ถ้าใจยอม อย่เจ็บอย่าประอยากให้มันไม่เจ็บอยาประอยากให้มันหายตัวอยากให้มันหายตัวอยากให้มันไม่เจ็บ น, นี่เป็นตัวสร้างความทนมานให้กับใจอันนี้โลรโลกของร่างกายที่สำคัญก็มีสองโลกคือความเจ็บกับความตายซึงว่าเราใช้สมาธินะปัญญามาเป็นผู้ที่จะสามารถหยุดความทุกข์ทางใจได้ แต่เราห้ามความเจ็บความทะความตายของร่างกายไม่ได้แต่ใจไม่ทุกข์กับมันได้อันี้คือวิธีรักษาใจโรคใจที่เกิดขึ้นจากเวลาที่เกิดโรคทางร่างกายการโรคทีร่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายนี่แต่จะรอวันตายไปเท่านั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องยอมรับความจริง มาร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมแก่เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมตายเป็นไปธรรมดาต้องพ้นความแก่เจ็บตายไม่ ไ, มได้ยอมรับความจริงแล้วหยุดต่อต้านแล้วใจก็จะเย็นยอมหยุดเย็นสามยอมในการใช้ปัญญาวิเคราะห์ความเป็นจริงปัญญาจะบอกความความเป็นจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่เจ็บตาย หยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันกับดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครไปไปสั่งไปห้ามมันได้ถึงเวลามันจะเป็ดก็เป็นถึงเวลามันจะตายก็ตายแต่ใจถ้าไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะใจอยากให้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย นี่เราก็ต้องมาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บอย่างไม่ตายด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิกั น, นทำใจให้นิ่งให้สงมบมใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไหวให้เจ็บไหวให้ตายได้ไม่ทุกกับมนบนันเราไม่สามารถห้ามความเจ็บความตายของร่างกายได้ทุกคนจะต้องไปด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็ ที่นั่งฟังกันตอนนี้อีกไม่นานก็ไปกันหมดใช่ไหม ค, ห <laughs> ครับอาจารย์คนที่เหนืออยู่ในโลกนี้ก็มองไป อ, <า>อดีตนะสักรอยปีคนที่อยู่เมื่อร้อยปีก่อนนั้นก็หายไปใหมดนะหลายคนคคที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราศึกษากันนี่ไม่เหนก็อยู่ในโลกนี้เลยถ้าคนเดียวครับพระพุทธเจ้าพระหลนศาสาวงแกวนี่ก็หายไปหมดนะตายกันไปหมดไม่มีใครยกเว้นเราจะบองว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับพยัคฆ์แดกก็ได้ มันไม่ใช่เป็นของจริงมันจริงชั่วคราวมันปรากฏให้เรารับรู้เห็นชั่วคราวเนี่ยมันก็หายไปแล้วข่าวคนหนึ่งไม่เกินร้อยปีพยับแดดที่มีอายุยามไม่เกินร้อยปีมันก็จะอันตรธานหายไปหมดกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเหมือนธรรมชาติ น, นั่นก็ล่ถ้าเราดูธรรมชาติเราดินน้ำลมไฟมาผสมกัน แล้วก็สร้างอาการสามีสองขึ้นมาแล้วจิตผู้หลงก็ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวกูของกูตัวเราของเราแล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาไปหาความสุขอย่างราบยศสรรเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสกันไปจนติดเป็นอยาเสากติดํามันจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถึงฐานร่างกายไม่ได้ถึงไม่ยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพราะเวลาร่างกายแก่เจ็บตายไม่สามารถใช้ร่างกาย ไปเสพยาเสติดเหล่านี้ได้แต่ถ้าเรามาฝึกสตินั่งสมาธิเราเราสามารถเสพความสุขจากความสงบได้เราก็เริ่มใช้นาำกายได้พอเราไม่เครื่องน้งกายเราก็ไม่ไม่แคร์ไม่สนใจอยู่ก็ได้ตายก็ได้บยงทีไม่อยากจะให้มันอยู่เช่นนั้นไปอยู่ก็เป็นภาลล า, าเวย์ปัญจขันธาพระเจ้าบอกคันทาน่านี้เป็นภาลลักอย่างยิ่งมันมันนี่เราใช้เวลาเกือบ ส่วนใหญ่ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเราหาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูมันเช้าตื่นจากเช้าออกไปทำงานหาเงินหาทองส่วนหนึ่งก็เพ่อหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหาที่ว่าใส่หารักษาโรคมาคอยดูแลร่างกายไปความสุขที่ได้ากมันก็ชื่อเวลาที่เราไปหาคํเราได้จากการได้เสมร่างนึกสรรเสริญสุขตามที่เราต้องการแต่มันก็เป็นความสุขแบบ ควนไฟชั่เประเดี๋ยวก็แล้วได้เงินมาก็ดีใจวันสองวันเงินความดีใจก็หายไปแล้วต้องหาใหม่เพิ่มนะนนได้ยศได้ตาแหน่งมาก็ดีใจแค่วันสองวันเดียวก็อยากจะได้พานใหม่ขึ้นไปนะไม่มีวันสิ้นสุดเป็นบรรยาเศรษฐีแต่เราไม่รู้กันเราคิดเอาเป็นเรืองจริงประจังกว่ามันเรื่อนี้คือความสุขของเราเราอยากหวังว่าอย่ากยั่นความสุขแบ บ, บยั่งยืนแต่มันเป็นไปนไม่ได้ เพราะขงังเหลมันก็เป็นของชั่วคราวไ ม, ไม่แน่นอนมาแล้วก็เดี๋ยวก็หมดไปหรือไม่หมดไปมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆแล้วก็ร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการใช้หาความสุขเหล่า น, นี้มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเดี๋ยววันวันในวันหนึ่งเครื่องมือคือร่างกายมันแก่ลงเจ็บลงหรือคุณภาพลงเป็นพิกพิการขึ้นมา อนี้ก็ไม่สามารถใช้นั่งกายหาความสุขไ um. ด้ก็มีแต่ความทุกข์ตามมาถ้ามองนดีการมาเกิดจึงเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอเขาแก่ความเจ็บความตายบ้าพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบซึ่งไม่มาเกิดดีกว่าเจ็บแม้ในตายเจนบแม้ในมาเกิดนี่ไม่้ในมาเขาเจ็บหายไปจิตก็ยังอยู่ยินอยู่ในโอกที่ อยู่ที่นิพพานที่ไม่มมมต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่อยู่ที่นิพพานได้ก็ต้องกําจัดความอยาก่างๆให้หมดซิ้นอยากใจอาจารย์ครับบางทีการเจ็บป่วยที่รู้ว่าเป็นโรคร้ายบางทีถ้าเราคิดเป็นก็กลายเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกคนส่วนใหญ่ต้องทุกข์ก่อนถึงจะเกิดปัญญาถึงจะแสวงหาความร้เพื่อบรรดความทุกข์ใจ อย่างที่หนังสือทำรรมาชุดเตรียมพร้อมนี้ก็เกิดจากการที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็ไปมาเร็งก็ห ม, มอก็บอกว่าเหลือแค่หกเดือนแต่รเราเลยตัดสินใจไปพึ่งทางธรรมดีกว่าวาสนาเจริญเขได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาในระดับหนึ่งแล้วพอรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ยังไม่มีทิวเตอร์ที่จะคอยสอนอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็เลยไปกราบขอความเมตตาจากหลวงตาหมาบัวจะขอมาอยู่วัดเพื่อมาปฏิบัติ สร้างธรรมะโอษฐ์นี้นเพื่อมารักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความตายที่จะตามม า, าน้องตาแล้วก็ไม่ตาไปเทศน์ให้น้อง94คืนเป็นหนังสือเป็นทําชุดเตรียมพร้อมขึ้นมาธรรมชุดนี้เด่ น, ด น, ด น, ดนๆท่านนักขยันอยากฟังลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของน้องตา .com เดี๋ยไปหาเสียงเทปธรรมชุดเตรียมพร้อมจะเป็นธรรมที่ฉันสอนวิธีปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเมตนา วิธสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาที่เป็นเครื่องมือเป็นปีเดียวที่เราเพิ่งน้อมเข้าไปว่าตามั่นตาตอัวนี้ปีสองพัห้าร้อยสิบแปดครับแล้ว เ, เข้าไปตอนเมษาแต่คุณคนไข่วันนี้แกไปตอนออกพรรษาแล้วตอนเดือนพฤศจิกาเนีน่ยแล้วอยู่ประมาณสามเดือนลักล่าก็ก ล, กลับยายเธอมีที่เพิ่ ง, งมาเรียนวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจได้นะ แต่ว่ากลับไปอยู่ที่บ้านไปเตรียมตัวตายต่อไปรู้สึกยังอยู่ได้นานกว่าหกเดือนอยู่ได้นานกว่น่อยนะต้องคนเราอย่าประมาทคนเราทุกคนกลัมามีข้าสอบรอเราอยู่นถ้าเราไม่ประมาทเรวรีบเตรียมเตรียมทํากันบ้านสิแต่วั น, นี้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราไม่ได้สอบผ่านได้ไม่ไม่ยากเย็นหรอกสายความเพียนภาพเพลินเป็นหนักต้องขยนันเจริญสตินั่งสมาธิแล้ว พิจนาปัญญาต้องหาเวลาว่าจากภารกจการงานต่างๆเช่นวันพระวันหยุดทํา ง, งานก็ไปเปิดวิเวงอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติได้ผลดีเราก็อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นพอไปเล้วอามีวันว่างหยุดว่างจยุดทำ ง, งานมากเท่าไหร่เราก็จะให้เวลาว่างนั้นไปกับการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นอะไรื่อ้ยดันั้นใ น, ในส่วนบงทีเราก็จะันอยู่วันหนึดีกว่า อยู่เป็นภ้าถาวก็ได้อาจจะอยู่เป็นผ้าในขณะนั้นะนะแต่เราเประเด็นําคัญ ก, ก็คือให้เมือ่อนานได้รจราสติน้่สมาธิและพิจารณาทางปัญญาสามตัวนี้นนัที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการดับความทุกข์ทางใจมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนต้องทำบุญทำทานไม่ต้องแนละ้วถ้าเข้าถึงขัน้นนี้ไม่ต้องกังวลน้องทำมุญทำทานแนละ้ว ทำหมดแค่นี้สีนสมาธิปัญญาศีลน่ะศีนแปดขึ้นไปแล้วก็สติก็จะนานทุกวันทั้งวั น, น, น, นตัน้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาไปกรับขอบคุณพระอาจารย์ครับใจเบาไปเยอะเลยครับผมใจเบาแต่ยังเร็วเนาะครับผมนี ค, คือข้อสอบที่เราต้องทําวันดนี้คนนี่เตรียมตัวไปทําการบ้านกันหนักนะ อย่าไปทำข้อสอบอย่างอื่นเลยการบ้านอย่างอื่นมันเป็นของที่มันไม่สามารถมาช่วยดับความทุกข์ทางใจเราได้การได้นาคโสชนเสริสมามากน้อยเพียงไรการแก้ปัญหาทางโลกม้มากน้อเพียงไรมันก็ไม่สามารถมาแก้ปัญหาทางใจของเราได้ครับขอบพระคุณพอาจารย์ครับขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับ น่าจะเป็นคําถามที่คล้ายๆหัวข้อวันนี้ครับพระอาจารย์ครับเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะน้อยหรือมากเข้าไปกระทบเราเราควรใช้หลักข้อธรรมที่นําไปปฏิบัติได้เช่นไรครับลูกกับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับก็อย่างที่ได้พูดมามันต้องมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามันจึงจะสามารถที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้คือเราต้องอย่างน้อยรู้จักวิธีทําใจให้สงบ ช่วงทีใจสงบนิ่ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวด่วยแต่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิพอไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายเราจะไปทุกข์กับมันทําไมที่เราไปทุกข์เพราะเรายึดติดยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยู่ มันต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเล้วหาความสุขจากพันความสุขความสุขจากการมรลาคะการมากาการมฉันทะการมาคุณทั้งห้าลูเสียงกินลดมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันถ้าไม่ได้ไปวัดครับอยากแต่อยากจะร่วมทำบุญ ทำหนังสือธทำมะจะมีช่องทางไหนทําได้บ้างครับอาจารย์ อ, อทางเราก็มันก็เราไม่มีเรื่รายเราไม่มีเรื่การมันเป็นเรื่องของแต่ละคนอัธยาศัยคนที่เขามีกำลังเขาอยากจะเพิมงหนังสือก็พิมพ์ขึ้นมาแจกกันไปงั้นต้องไปอาจจะต้องไปหาที่อื่นทางทางเราเนี้ไม่มีเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการการทําบุญเหล่านี้ปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละคนปล่อยให้เป็นกำลังของแต่ละคน ปฏิทินาน้ำมบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหากเราเห็นคนใส่บาตรพระตอนเช้าๆแล้วน้อมจิตอนุโมทนาส่วนบุญตัวเราจะได้บุญด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เนอะตัวเราต้องไปซื้อมาใส่ด้วยเขาเนร่วมร่วม ร, วมรวมบุญอย่างเขาไม่ได้ทําบุญเนี่ยไม่ได้ใส่บาตรเลยเพียงแต่ชื่นชมยินดีมันก็เป็นความรู้สึกแห้งๆไปแค่นั้นทําห้เหมือนกับได้ได้ใส่บาตรเพื่ตัวของเราเอง ที่เราต้องเสียสละเข้าของเงินทองเราไปตัวนี้ต่างหากที่ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาที่เาให้ร่วมอนุโมทนาบุญไห่โดยมโนที่เพื่อนฝูงเขาจัดงานบวชจัดงานวันเกิดแต่งงานเราก็ไปร่วมทำบุญกับเขาเป็นกาอนุโมทนาไม่ใช่อไม่สนใจไม่เหลียวแนเขาทำบุญทั้งของเขาฉันไม่สนใจอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญหรือจะไปสนสดงความยินดีมันก็ไม่ได้บุญมันก็เป็นเพียงแต่ครั้ ความยินดีเป็นปากเ ป, ปล่าคู่ไปผมยินดีกับคุณการทำบุญของคุณอยากจะได้บุญด้วยก็ต้องร่วมทำบุญกับเขาเช่นเดี๋ยวออกพรรสานี่ก็จะมีการทอดกรถินทอดพระปา ก, กันเยอะแยะหมดเนี่ยเพราะนัะ้นแ่ะถึงเวลาอนุโมทนาบุญแล้วเวลาซองมานี่ย <laughs> อย่าไปโกรธอย่าไปอย่าไปเกลียดบางคนที่เห็นซองจะเป็นลม ห <laughs> ากคนชอบอนุโมทนาบุญต้องดีใจโอ้ตอนนี้ได้มีโอกาสได้อนุอนุโมทนาบุญเยอะแยะเลยถ้าคนอยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตควรให้สวดมนต์บทอะไรหรือว่าให้แค่พุดโธครับทํามถึงใครทํามถึงตัวเราเองหรือถามถึคนอื่นคนอื่นเอาไปสอนเขาไม่ได้หรอกนะถอนตัวเรานะได้อยู่ เราพยยาหัดสวดมนต์ก็ได้นั่งบริกรรมพุโทโธก็ได้แล้วแต่เราเพื่อเจริญสติแล้วไม่ใช่ทําแต่เฉพาะแค่ครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีต้องทําทั้งวันเลยพยายามเจริญสติทั้งวันถ้ามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิให้มากๆเท่าที่เราจะนั่งได้แล้วเราจะมีกําลังที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้ เห็นข่าวรถไฟชนรถเม์แล้วระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าคนเราจะตายวันไหนเวลาใดไม่รู้เลยหากเราอยู่ในรถเมย์คันนั้นเห็นรถไฟกำลังวิ่งมาชนจะวางจิตอย่างไรในนาทีสุดท้ายของชีวิตครับอยู่ ท, ที่อยู่ที่การฝึกฝนอบรมของเถ้าเราฝึกฝนให้ปล่อยวางได้เราก็จะปล่อยวางถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะยึดติดเราก็จะทุกทรมาหวาดกลัวสุดขีดเลย คนที่มีโลคส่วนตัวสูงมากๆอย่างนี้จัดเป็นความผิดปกติไหมครับอ่ามันก็เรื่องของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนมันมีเหตุมีปัจจัยไม่เหมือนกันมีทั้งกรรมมีทั้งพันธุ ก, กรรมมันมีทั้งการการดําเนินชีวิตของแต่ละคนว่าดำเนินในชีวิตในรูปแบบไหนบางคนบริดําเนินชีวิตแบบประมาทสูบบรี่ดื่มดื่มสุราเสพยาเสติ ด, ดังนั้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้มากคนบางคนก็รักษาสุขภาพดีออกกําลังกายรับประทานอาหารที่สะอาดไม่เสพยาเสพติดไม่เสพไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอะไรนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็น้อยลงตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนอยากเรียนถามพระอาจารย์เรื่องมีการบวชพระ หุ่นยนต์ AI ชื่อกาบีที่เกาหลีใต้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับมันก็เป็นการพัฒนานการทางด้านการทางวิทยาศาสตร์ทนั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นสาระประเด็นสาคัญอะไรเพราะหุ่นยนต์มันไมไ่มีความรู้สึกนึคิดมันเป็นเพียงเครื่องเครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่งที่มันคิดไดรวดเร็วเทันเองสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาม า, ม า, ม, ามาประมวลแล้วก็ ตอบคําถามที่เขาส่งเข้ามาท่านเองตัวมันเองไม่รู้สุกทุกข์อย่างไรดีช่วยอย่างไรไ ม, ม่มันไม่รู้ของมันมันไม่รู้ทุกข์มันไม่รู้สึกมันไม่มีมัน ไ, ไม่มีเวทนามันมีแต่สังขารความคิดปรุงแต่ง น, นี่มันคิดประมวลเอาความรู้ต่างๆเข้ามาประมวลนั่นเอง อาจารย์ครับวันนี้หัวข้อน่าจะถูกใจคนครับหมักพันสี่ร้อยกว่าคนแลครับอาจารย์ครับอมครับนี้มันมันมันถึงใจพทุกคนต้องตายด้วยกันทุกคนอาจจะช่วยจุดประกายให้เริ่มคิดถึงว่าเราจะต้องทำไงดีครับเรื่องนี้มันเป็นปัญหาประจำตัวของทุกๆคนครับอยากถามพระอาจารย์ครับ มีบทสวดมนต์แนะนําที่ควรสวดหรือไม่สวดสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติไหมครับคือการสวดมนต์เราต้องเข้าใจว่ามันเป้าหมายคือการเจริญสติถ้าเราไม่สวดมนต์เรานั่งเฉยๆเดี๋ยวเราต้องไปดูหนังม้างไปฟังเพลงม้างไปกินนูน่นกินนี่บ้างมันก็ทําให้จิตเราไปเสบ ร, รูปเสียงกินนั้นแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นตามมาต่อไปเพราะเราสองเหล่านี้เป็นเหวิญญาเสีติดเสียแล้วมันจะติด เวาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพมันจะทุกข์แต่ถ้าเราเอาเวลาว่างนี้มาส่วนมนกันเราก็จะมาปรามความความอยากทั้งรูปเสียงกลิ่นลดได้ในระดับหนึ่งแล้จะทําให้เรามีสติควบคุมความอยากความให้ควบคุมความอยากในใจเราได้การสวนมันก็เพื่อให้มีสติขึ้นมาเพื่อยับยั้งความอยากแต่จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เราส่วนมากส่วนน้อย มีหลานเป็นมะเร็งครับคุณหมอบอกระยะสุดท้ายแล้วเศร้าเลยครับจะส่งกําลังใจอย่างไรดีครับคุณมีให้กําลังใจตัวคุณเองได้หรือเปล่าวันนี่ไม่ให้กําลังใจคนอื่นนะถามตัวคุณเองก่อนถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเรายังให้กําลังใจกับเราไม่ได้ SO. แล้วเราจะไปให้กําลังใจกับคนอื่นได้อย่างไรไ ป, ไปถามพาระเล้วคาตอบของพระไปให้เขา ม, มันกมน็มัน ม, มันก็ไม่เป็นความ ความรู้สึกที่แท้จริงที่ออกมาจากใจของเราที่มันต้องมันต้องเราต้องรู้จักวิธีให้กำลังใจของเราก่อนแลค่อยไปให้กำลังใจคนอื่นถ้าไม่รู้ก็เฉยๆไว้ดีที่สุดเขาไม่ได้เรียนร้องถน่าไหร่ความตายคือการสิ้นสุดของโอกาสแห่งการทำความดีคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็โอกาสในการกรทำทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าตายไปแล้วทําชั่วก็ไม่ได้ทําดีก็ไม่ได้ <c oughs> เวลาให้นึกถึงบุญถ้าคิดถึงสัมผภสัตช้างมาวัวควายสุนักแมวก่อนไปคิดถึงบุญเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสิ่งนี้ไหมครับมันเรานั้นไม่เรียกว่าบุญก็หน่อยสิงสารสัตว์ต่างๆมันก็เป็นสัตว์ <c oughs> มันไม่เป็นบุญบุญคือการกระทําความดีของเรานะที่เราต้องเชิดกัน เวลาคิดถึงความดีเช่นเราเคยบริจาคเงินแสนยังให้กับโรงพยาบาลองนี้พอเรานึกถึงมันทีไรเราก็รู้สึกเบื่อปิติสุขใจทุกครั้งไปให้นึกถึงบุญเหล่านี้การกระทาความดีไม่ใช่มันนึกถึงสิงสาราสัตว์ช้าม้าวัวควายมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเลยคิดไปก็ทำนั้นแหะมันไม่ได้ไปทําให้เราเป็นสิงสาราสัตว์ด้วยเหตุที่จะทําให้เราไปเป็นสิงสาราสัตว์ก็คือการทําบาปของเราถ้าเราฆ่าวัวฆ่าควายนี้ โอกาสที่จะไปเกิดเป็นวัควคอยให้เอาข้างนี้ก็มีอยู่เป็นมะเร็งเต้านมเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วครับรักษาเรียบร้อยแต่ต้นปีเจอก้อนเนื้อที่เต้านมอีกข้างใช้ธรรมะข้อไหนเพื่อเยียวยาจิตใจดีครับก็บ น, นี่แหละมันการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาองพ้นไปไม่ได้โรคภัยของเราก็มีสามโรคด้วยกันโรคที่เป็นลหายเองรที่เป็นาา้นาาต้องรักษาถึงจา แล้วก็โรคสุดท้ายก็เป็นแล้วลรักษาก็ไม่หายก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับโลกทั้งสามนี้ถ้ายอมรับโรคเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าคนนั้นเอาเปรียบตลอดเวลามาสิบกว่าปีจนใจพังควรทําอย่างไรให้ใจสงบได้ครับบางทีวันจะเขาก็ตายไป <c oughs> เขาได้หรือไปล่าทัา้งเอาเอ า, าไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว ปให้เขาเอาไปก็อยากจะได้อะไรครับก็ปล่อยเข้าไปเขาเอาไปได้ก็ปล่อยเข้าไปถึงเวลาตายเขาเอาไปไม่ได้ไม้แต่บาทเดียวเนื่อยเปบ่าวไปแย่งแข่งแย่งไปโกงคนนั้นโกงคนนี้แล้วยังต้องไปชดใช้กรรมต่อไปเวลาตายไปด้วยกรรมมาเกิดก็จะถูกเขามาโกงเราบ้างสลับกันไปมองานี้เราจะไม่โกรธเขาเราจะสงสารเขา ถูกจองจําเหมือนติดคุกจากอวิชชาแต่คนทั่วไปไม่รู้เพราะกิเลสบดบังจิตใจไม่มีความเป็นอิสระในจิตใจธรรมคือโอสถทิพย์ที่เป็นยารักษาจิตใจมันมีความเกี่ยวเนื่องจากการที่มีบุญจากหลายๆภพชาติที่ทําให้ได้ฟังธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นนิสัยที่เราปลูกฝังมาในแต่ละภพรพชาติถ้ามีนิสัยฟังธรรมล้วก็จะมาฟังธรรมนี่ศึกษาธรรมอย่างเงี้ยมีนิสัยทําบุญแล้วก็จะทําบุญอย่างเงี้ย แล้วแต่เราจะปลุกฝังนิสัยมาบางคนก็ปลุกฝังนิสัยไม่ดีมาชอบทําบาปชอบดื่มสุราพอมาเกิดก็จะมาทํำแบบที่ตัวเองเคยชอบทํามาในอดีต<ๆ>เขาเรียกนิสัยสันดาณเนมีทั้งดีและครับไม่ดีนิสัยสันดานที่ดีก็ทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนานิสัยสันดานไม่ดีก็คือทําบาปทําการมชอบโกงหลอกลวงมาพืผิดในการเป็นต้นเดิมของเุนินเมาเสพยาเสพติ จเป็นเถืครับเวลาที่เราว่างบางครั้งจะฟังธรรมบ้างอ่านประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างบางครั้งก็พุทโธในใจทําทในแต่ละอย่างได้ไม่ค่อยได้นานครับขอคำแนะนำว่าทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วย้ายบุญหรือเปล่าครับก็ได้คือคาว่าบุญนี่มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทาเหล่านี้ซึ่งบางทีมันยังไม่เกิดก็ได้เพราะเป็นการยังทําไม่ถึงจุดที่มันจะเกิด แต่เป็นการสร้างเหตุที่ทําให้ก่อบุญต่อไปก็ได้เป็นการกระทําที่ดีไปไปรู้ไปศึกษาโด ย, ย, ยเฉพาะคําสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสั่งสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาคําสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นคําสอนเดียวที่จะนําพาผู้ศึกษาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เให้พยายามศึกษาไปแล้วพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จ ะ, จะเจริญเตอบโตเหมือนต้นไม้ เราปลูกวันนี้แล้วเราคอยลดน้าพรวนดินคอยรักษาเลี้ยต้นไม้ให้มันค่อยๆเจริญติบโตเดี๋ยววันหนึ่งถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลให้เราอันนั้นเป็นบุญนะพอเรามารู้เป็นโสวดาบาันญกริราคามียนาคามีอรหันเนี่ยมรรผลเนี่ยอันนี้ถึงนี้ก็เป็นผลบุญที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดผลแต่เราก็ต้องสร้างต้นไม้ขึ้นมาให้ได้ก่อนปลูกต้นไม้มันเจริญติบโตขึ้นมาให้ได้ก่อน เมื่ออาจารย์แตะัวเราเนี่ยมันก็จะเอาดอกออกผลให้กับเรามีความรู้เด่นอยู่กลางศีรษะใช่วิญญาณธาตุไหมครับไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอะไรนะให้มันร่วงเป็นอะไรท่านเองรู้ว่าใครรู้ว่ามันมันมันมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปสนใจมันเอามันดับความทุกข์ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาการความทุกข์ใจถ้าไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมัน เวลานั่งสมาธิมันมีอะไรให้เห็นเยอะแยะไปหมดซึ่งไม่มีคุณค่าคุณประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ทางใจก็อย่าไปสนใจเรื่อามาของการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อมาดับความทุกข์ทางใจของเราเท่านั้นเองเหมือนกับหมอรักษาโรคให้กับคนไข้หมอก็แค่ดูผลอย่างนี้ว่าโรคหายไหมถ้าโรคไม่หายใช้ยาชนิดไหนดีเปลี่ยนวิธีรักษาอย่างไงดีก็ดูแค่ตรงนั้นนะดูที่หายหรือไม่หาย เมื่อเจ็บปวดหนักใกล้ถึงเวลาแต่ยังคงมีสติอยู่ควรจะปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะถ้าพุดโธไม่ไหวครับก็พงได้ไม่ได้ยอมยอมเจ็บยอมตายไป ถ, ถ, ถ้าทําะไมไม่ได้ก็ต้องยอมเจ็บยอมตายเวลาป่วยหนักใกล้ถึงวันสุดท้ายเราควรนึกถึงบุญกุศลหรือควรอยู่กับสมาธิและลมหายใจครับ ก็แล้วแต่เราอยู่กับอย่างไรได้ถ้าอยู่กับสมาธิได้ก็ดีที่สุดหรือถ้าอยู่กับปัญญาได้ยิ่งดีปัญญานี้เป็นธรรมขั้นสูงสุดถ้าเรามีปัญญาในขั้นสูงสุดเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็อยู่ในขั้นสมาธิมองลงมา<ๆ>ก็จะดับความทุกข์วันชั่วคราวก่อนได้เวลาเราเข้าสมาธิความทุกข์ทรมานก็จะหายไป ตอนนี้เป็นมะเร็งครับก็ได้แต่เตรียมตัวเตรียมใจน้อมนำธรรมะและปฏิบัติต้องฝึกซ้อมมากๆใช่ไหมครับก็ทําทมันยังกว่าเราไม่ทุกข์กับมันยิ่งทํำมากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะไม่ทุกข์ก็จะมีมากขึ้นทำน้อยมันก็จะยากมันก็จะช้าจนานกว่ากราบขอปัญญาครับ หากหมอแนะนําให้รักษาคุณพ่อแบบประคับประคองไม่รักษาแบบเข้มขน้นลูกๆ ก, ก็ยินยอมแบบนี้ลูกบาปไหมครับไม่บาบเพราะหมอเข้อ ร, รู้แล้วว่าต้องรักษาแบบไหนเข้มข้นก็ตายอยู่ดีไม่เข้มข้นก็ตายเป็นโรคร้ายใช่บาปไหมครับมันเป็น ม, มีบาบกรรมของการมาเกิด เป็นผลจากการที่เรามากัดกันโรคมันร้ายทุกชนิดแต่ไม่มีโอคไหนที่มันดีหรอกมีมีโรคไหนที่ดีไหมคุณหมอไม่ได้ครับโรคร้ายทุกชนิดนะแล้วแต่แตตเป็นหว ม, มันก็เป็นโอกร้ายที่เนี่ยมันหายเท่านนเอไม่ได้ว่ามันนโรงร้ายโรคร้ายหมายถึงโรคที่เป็นแล้วไม่หายโรคชนิดที่สามท่ามกลางวิกฤต จะใช้ปัญญาสมาธิสติอย่างไรเมื่ออยู่ภายใต้กระแสโลกครับก็อยู่เนกระแสโลกไปล่อยวางให้โลกเขาเป็นไปเขาจะพาันกันเขาจะขึ้นจะลงก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราอยู่กับความสงบอยู่กับการวางเฉยอะไรจะมากระทบกับเราก็ปล่อยให้มันเกิดไปขอโอกาสครับขอความ ไมตาจากพระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับดับนี่สงทั้งครวญและนักบวชควรน้อมนาปฏิบัติเช่นไรถูกต้องครับเราต้องเข้าใจคําว่านี่สงก็คืออะไรก่อนนี่สงก็คือนี่ที่วัดพระส่งไปเป็นไปไปสร้างนี่ขึ้นมาญาติโยมยอบญาติโยมก็มีนี่กันใชไไปกู้นี่ยืนสินมานี่ก็เรียกว่าเป็นนี่แล้วสงก็ชอบไปกู้นี่ยืนสินเหมือนกัน โดยการไปใช้บริการของการไฟฟ้าบ้างของการน้ําการป่อปาบ้างก็สร้างหนี้ขึ้นมาว่มาใช้ฝ่ายค้าเขาก็ต้องมาเก็บค่าไฟใช้น้ําปปาเขาต้องมาเก็บน้ําปปานี่คือหนี้สงก็อย่างจไหที่สงไม่มีอาชีพเหมืนนอนญาติโยมไม่มีรนายได้เหมืนนอนญาติโยมเพราะสงไม่ได้ไปทํางานหาเงินหาทองสงมีหน้าที่หาห า, หาธรรมะกก็เลยปล่อยให้เป็นภาระของญาติโยมมาช่วยปลด ภาชนะของหนี้สงเวลาโยมทำบุญนี้สงก็หมายถึงว่าบริจาคเงินก้อนนี้ให้กับสงอไปชําระหนี้ที่เป็นอยู่มีหนี้อะไรก็อาไปจ่ายบางทีต้องจ้างจ้างช่างมาซ่อมแซงโบสกุฏิศาลามันนั่วบ้างมันพังบ้างนี้ก็ต้องมีหนี้กิดขึ้นมานี่แหละคือหนี้สงแล้วเราอยากเราเป็นหน้าที่ของคารวะก็คือถ้าอยากจะทํานุญบำรุงพระวจนะศาสนาก็มาช่วยชําระหนี้สงให้ วตต่ตนีอนเรามีชีวิตอยู่เรารักโลภโกรธหลงตอนที่เราตายไปแล้วจิตของเราก็จะเป็นแบบนี้อยู่ใช่หรือไม่ครับเหมือนเดิมจิตไม่ได้เปลี่ยนไปไปกับความตายของร่างกายมีร่างกายที่เปลี่ยนไปเพลงส่วนเดียวร่างกายก็จะกลายเป็นเดินน้ำนมไฟไปแต่ความโลภโกรธหลงนิสัยสันนานต่างๆที่เรามีอยู่ก็เหมือนเดิม ไปเกิดใหม่ก็เป็นคนเดิมเพียงแต่ร่างกายอันใหม่นั่นเอวันที่เขามีคำพูดว่าเล่าเก่าในขวดใหม่<อ>เป็นขวดใหม่<อ>แต่เล่าก็เล่าอันเดิมรสชาติอันเดิมเหมือนกันทุกประการลูกไม่ใส่ใจแม่เวลาป่วยจะบาปมากไหมครับก็แม่กตันอยู่เป็นคนอักตันอยู่ซึ่งมันไม่ดีสำหรับคน คนดีเขามักจะมีความสำนึกในบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ในมีพระคุณก่อลูกมาหาศาลใช้ท่าหล่นก็ไม่มีวันหมดถ้าไม่ใช้ะ่ะลานจะแสนงว่าแย่มากไม่เหลียวแลวเลย เราสามารถอธิษฐานจิตขอให้ไปเกิดในระบบสุริยะจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่ชมพูทวีปได้หรือไม่ครับคำถามอาจไม่เป็นประโยชน์ในทางภาวนาเพียงแต่อยากรู้เท่านั้นขอ ค, นความเมตตาครับก็เราทำด้วยเลยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนมาขอเงินตอนแรกเราก็ให้ด้วยความยินดี ตอนหลังมาบ่อยด้วยความรําคาญอย่างนี้เราได้บุญไหมครับถ้าให้ก็ได้บุญถ้าเราไ่อยากให้ก็ไม่ได้บุญทางนี้ไม่บาบุญอยู่ที่ใจโห น, น้องใจไปกับเขาก็ได้บุญน้อมใจไปกับเขาก็ได้บุญไม่งั้นคนที่ไม่มีปัจจัยก็จะไม่ได้บุญไม่ครับอาจารย์ อ๋อไม่มีปัจจัยก็ทําบุญอย่างอื่นได้ไปช่วยนัําซั่วไหมให้กับวัดกันได้ไปช่วยทํางานโดยไม่เก็บค่าค่าค่าไหนได้ไปทํางานเป็นอ า, าสายสัครต่างๆก็ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นคนเขาทำบุญแล้วสาธุสาธุแล้วจะได้บุญหรือไม่ได้บุญหรอกจากการสาธุนี่ก็ดีไม่ต้องทําบุญให้เสียเวลารอให้คนอื่นเขาทาบุญเราไปสาธุสาธุ ก็เมือนคนเข้าไปกินข้าวเราไปสาธุสาธุแล้วเราอิ่มไปกับเขาเป่าเวลาคนเข้าร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งกินอาหารกันแล้วนั่งอยู่ข้างนอกก็สาธุสาธุแล้วเราจะอิ่มกับการ ก, กินอาหารของเขาหรือเปล่าแล้วไม่อิ่มเราแล้วเราเข้าไปกินกับเขาด้วยถึงจะอิ่มสอบถามพระอาจารย์ครับการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญต่างกันยังไงใช้ต่างกันยังไงครับ คือบุญนี้เป็นเหมือนกับเงินทองที่เราจะให้คนคนที่ตายไปแล้วเขาจะได้เอาเงินทองคืบุญนี้ไปใช้ในโลกทิพย์ได้ส่วนส่วนการขายเมตตานี่คือการให้ความปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ไม่ว่าเราจะเจอใครแล้วก็ให้ความเมตตาขเขาคือเป็นมิตรกับเขาไม่คิดร้ายกับเขาถึงแม้เขาจะพูดไม่ดีทําร้ายเราทางจิตใจหรือทาให้เราเสียหาย เราก็จะให้อภัยเขานี่คือความเมตตาเวลาทําทำอะไรเราก็จะระวัณระวังไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้ถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขถ้าเรามีอะไรแบ่งปันให้เขาได้เราก็แบ่งปันให้เขาไปอันนี้เรียกว่าความเมตตาซึ่งการอุทิศบุญก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเราอยากจะให้คนที่ตายไปมีความสุขเราก็เลยส่งบุญไปให้เขาเพราะเราส่งเงินไปไม่ได้ อนกับคนที่อยู่ต่างประเทศเราส่งเงินของไทยไปเขาใช้ไม่ได้เราว่าต้องรากเปล็นเงินตราของประเทศที่เราจะส่งไปเขาถึงจะใช้ได้คนที่อยู่ในโลกทิพย์ก็เป็นเหมือนอยู่อีกประเทศหนึ่งนั่งเงินที่เขาใช้ในโลกทิพย์ก็คือบุญนี่เองนั่งสมาธิไปด้วยฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับคือเราต้องเลือกเราว่าเราจะจะนั่งแบบถ้านั่งสมาธินี่ ถ้าเราจะใช่การฟังธรรมเราก็ต้องไม่ต้องพุโทโธไปไม่ต้องดูลงไปเพราะมันจะมันจะขัดกันต้องมาเลือกเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเราจะใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์มันก็ฟังธรรมไปไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลงใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนพุโทโธแทนดลดลมหายใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งไม่ไม่ถึงกันเต็มที่คนบางคนเวลาก่อนจะเริ่มนั่งสมาธินี่บางทีทท ใจคิดมากคิดเรื่องการเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไม่สามารถอยู่กับลมไม่สามารถอยู่กับพุทธโธได้บางทีครับก็ใช้การทำธรรมไปก่อนทำธรรมไปให้ทําเป็นตัวกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบให้หายฟุ้งซ่านง่ายง่าพอหายฟุ้งซ่านแล้วก็มาเริ่มอยู่ลมต่อเรื่องมาเริ่มบริกรรมพุทธโธต่อไปอยากพ้นจากความทุกข์ที่มาจากความคิดครับอาจารย์ ก็หยุดคิดสิก็ลูอยู่แล้วความทุกข์เกิดจากความคิดอ่าถ้าหยุดคิดความทุกข์มันก็จะหายไปใช้สติแทนใช้บริกรรมพุทโธเข้ามาพอ ค, คิดคิดแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธไปความคิดที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจก็ต้องขายไปหยุดไปในที่สุดความทุกข์ก็จะหายไปตาม ตอนตายถ้าเรายังกังวลมีห่วงตายไปจะสู่ภพภูมิที่ไม่ดีหรือเปล่าครับมันไม่ได้อยู่ที่ตอนที่เราตายแล้วเราก็รู้สึกอย่างไรหรอกมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทําไว้ว่าบุญกับบาปที่เราทําได้อย่างไหมีมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะพาไปสู่ทุกขติภพไม่ดีถ้าบุญมากกว่บาบาปก็จะพาไปสู่สุขติไปพบที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ จิดสุดท้ายช่วงสุดท้ายของชีวิตเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณหมอบอกว่าคนนั้นหากทำาคีโมจะอยู่ได้หนึ่งปีแต่ถ้าไม่ทำจะอยู่ได้หกเดือนอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีครับก็แล้วแต่ถ้าเป็นตัวคุณหมอต้องัดสินใจเอเองจะอยู่หกเดือนหรือจะอยู่หนึ่งปีมันก็ตายเหมือนกันนะยากยั ง, ยงไงดีจะทรมานหกเดือนหรือทรมานหนึ่งปี จะให้กำลังใจคนที่ทุกข์และคิดจะฆ่าตัวตายพร้อมลูกสามขวบยังไงดีครับอาจารย์ถ้าถ้าให้ไม่ได้ก็อย่ามาถามคนอื่นนะมันมันมันเรื่องที่เราต้องรู้เองถึงจะไปให้เขาได้ไปถามคนอื่นแล้วไปบอกก็อาจจะบอกไปผิดผิดถูกๆก็ได้นี่ไม่ดีดทำให้เขาตายแทนที่จะให้ก็อยู่กับทำให้เขาตายก็ได้าการถ่ายทอดความรู้แบบนี้มันอาจจะถ่ายทอดผิดก็ได้ อย่าไปสนใจเลยถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาได้ก็ปล่อยเขาไ ป, ปตามตามสภาพของเขาดีกว่าตามบุญตกรรมของเขาคนเราชอบไปช่วยุย่งกับคนอื่นทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้ขักสามารถที่จะไปช่วยเขาแล้วไปถามคนอื่นว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรแล้วพอไปถามก็บางทีฟังผิดมาแล้วไปถ่ายทอดผิดมันก็ไม่เกิดผ ล, อ, ลอย่างนี้เลยเรงต้องรู้เองดีกว่าการจะช่วยใครได้เราต้องรู้วิธีช่วยแล้วถึงบอกเขา แล้วก็ต้องดูอย่างว่าเขายินดีจะรับฟังเราหรือเปล่าบางทีเขาไม่อยากจะรับฟังเราเราไปยุ่งกับเขาเขาก็จะเบื่อเราเสียเสียงด้วยซ้ำไปยังไงต้องดูก่อนว่าหนึ่งเขายินดีเขาอยากขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่ปาสองเรามีความรู้ที่จะช่วยเขาได้หรือเปล่ปาถ้าไม่มีก็ต้องวีเฟอร์เขาไปหาคนที่มีความรู้ไปหาพระพุทธเจ้าสิไปหาพระอาญายาสงสารโลกสิผมเป็นบุตรชนผมไม่สามารถที่จะให้ความรู้อันนี้ได้ พูดไปยีงยัดีกว่าครับเดินจงกรมไปด้วยใช้หูฟังธรรมะไปด้วยได้ไหมครับได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องอยู่กับอะไรอยู่กับการฟังธรรมหรือยู่กับการเดินบางทีอาจจะมันจะได้ครึ่งหนึ่งเดินอยู่กับการเดินเครื่องหนึ่งอยู่กับการฟังธรรมครื่งหนึ่งถ้าอยากจะได้เต็มร้อยซูนั่งเฉยๆแล้วฟังธรรมจะดีกว่า นี่ทำทั้งเต็มร้อยเลยถ้าเวลาเราเดินนี่เราใจใจเราต้องแบ่มันดที่การเดินด้วยเดินไปก็ต้องดูว่ามีงูอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ปามีรลุมมีบ่อหรือเปล่ปาการทําทธรรมมันก็อาจจะฟังไม่ไมสมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องสมบูรณ์ผมฝึกนั่งสมาธิภาวนาแต่ยังทำงานทางโลกอยู่ บางวันผัดสะกระทบเยอะก็ทำให้เกิดความทุกข์ครับแต่พอได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ทำให้เรารู้สึกดีและได้กำลังใจกลับมาทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคลิปเดิมฟังซ้ำหลายรอบแล้วอันนี้เกิดจากอะไรครับไม่ใช่ไม่งันกิยังไไม่ได้เกิดก็รวมเกิดก็แล้วกันโรูมะเร็งนี้เป็นโรคเวรกรรมหรือเปล่าครับทั้งทังทั้งร้อน เขยังหาสาเห็นไม่ได้ถ้าหาสาเหตุได้ก็คงจะรักษากันได้เนนพราะว่า ม, มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันทช่ไหมคใช่ครับอาจารย์ครับทุกวันนี้รู้ตัวว่ายังอ่อนซ้อมมากครับยังกลัวเจ็บป่วยกลัวตายอยู่ครับก็ต้องซ้อมให้มากขึ้นสิเท้านั้นเองมีเวลาต้องเยอะๆทำไมไม่ซ้อมกประมาณอยู่แบบประมาททาไม ถ้าไม่ซ้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนซ้อมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็จะถูกเขาน็อตบัตรัตรแรกกัน็อครับเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บป่วยหรือลําบากได้ให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันกําลังทันทีที่พบเห็นและจิตก็ไม่เคยคํานึงถึงว่าสิ่งที่เราจะทําจะได้บุญหรือไม่เป็นเพราะเหตุใดครับ คือมันคนละเรื่องกันนะทําคุณทําคุณทําความดีมันก็จะเกิดบุญคือความรู้สึกที่ดีในใจเราเกิดขึ้นมาไม่ว่าคุณจะหวังผลจากผู้ที่เราทําบุญด้วยหรือไม่ช่วยเขาหรือไม่มันไม่เกี่ยวกันบุญมันเกิดจากการที่เราได้ทําความดีทําคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันจะเกิดความสุขใจปรากฏขึ้นมาใ น, ในใจของเรา เมื่อเจ็บปวดได้พยายามนั่งสมาธิและคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทำอย่างนี้คิดถูกไหมครับก็ดูว่าความทุกขหายไปหรือเปล่าถ้าหายไปก็ถูกยังไม่หายก็ยังไม่ถูกฝึกใจให้พร้อมกับความพลัดพรากอย่างไรครับได้อ่านหนังสือคืนอําลาที่หลวงตามเทศ ก็พอมีสติตอนอ่านแต่พอเจอเหตุการณ์กับคนใกล้ตัวก็ยังยากครับยังฝึกไม่พอใช่ไหมครับใช่การฝึกการพาบาทบางทีก็ต้องยากกันอยู่บ้างอยู่วัดสักเจ็วันสักสิบวันนี้อยู่คนเดียวไ ม, ไม่ไม่มีใครที่จะมาคอยให้ความสุขกับเราแล้วฝึกหาหางความสุขจากการอยู่คนเดียวให้ได้ต่อไปเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้ ชาติหน้ามีจริงไหมครับแล้วเราจะเจอคนที่เราเคยรักไหมครับชาติหน้ามีจริงแต่จะเจอไม่เจอนอไม่แน่นอนการเจริญสมาธิและนั่งวิปัสสนามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรครับการเจริญสมาธิทําจิตให้เง่งให้สงบให้หยุดคิดให้เกิดความสุขใจขึ้นมาส่วนการเจริญปัญญาเรื่ย วิปัสสนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากต่างๆและทั้งการให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องหยุดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขถ้าจิตเราฟุ้งมากๆ ควรรอให้จิตหายฟุ้งแล้วค่อยปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมหรือปฏิบัติทั้งที่จิตยังฟุ้งมากๆครับขอพระอาจารย์เมตตาครับกาถ้าปฏิบัติได้ก็ควรจะรีบปฏิบัตินถ้ามไรหายฟุ้งมื่อเมื่อเมมันจะหายฟุง้งมันจะฟุ้งเป็นเปนน็นวันเป็นเดือ น, อนก็ได้วิธีดับความคิดฟุ้งซ่านต้องทําอย่างไรครับเวลาที่เครียดครับ ใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธไงหรือส่วนมันไปเราจะกําจัดตัวความขี้เกียจได้อย่างไรครับด้วยความพยายามเพราะฉะนั้ว่าขี้เกียจกขาเรียบรุกขึ้นมาเลยเมื่อขี้เกียจนั่งเขาเรียบรุกขึ้นมานั่งเลยต้องทวนกระแสความขี้เกียจพอไม่อยากทำบ้าก็ต้องเรียบรุกทำทันทีเลย ถ้าชาติน่ะชาตินี้บาปมากกว่าบุญจะต้องทําบุญชนิดไหนให้บุญมากกว่าบาปและบุญชนิดไหนเป็นบุญมากครับก็แล้วแต่บุญไหนเราทําได้เราก็ทำบุญแบบนั้นไปไม่ใช่บุญมากมันจะทําง่ายบุญเนีงาบุญบุญมากมันจะทํายากบุญน้อยมันจะทําง่ายเช่นทําบุญใส่บาดนี่มันง่ายกว่าการมานั่งสมาธินั่งสมาธิอีกสิบปีอะไรยังไงก็ไม่เกิดผลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าใส่บาปปุ๊บบุญก็เกิดขึ้นมาทันทีเลย ทำไมพระที่วัดบอกว่าอนาคามีไม่อยู่เป็นค า, ารวาตต้องบวชแล้ววัดต่างๆไม่ติดป้ายรับอนาคาเมียทาไ ม, ไมอนาคามีหไม่เดเขาไม่มีการอารมณ์นะท่นเองถ้าไปปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสามารถที่จะส่งบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะยังไม่เกิด เกิดยากบุญใจเกิดจากการภาวนาบาที่ภาวนาเป็นสิบส pues ิบปียังไม่เกิดเลยเปหมือนกับเป็นการสร้างต้นไม้ยังไม่ออกผลขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าในการเจริญสติระหว่างวันในการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันจะต้องทําอย่างไรครับให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่กับการทําต่างๆของร่างกาย ร่างกายทำอะไรก็เข้าดูการกระทำของร่างกายอย่าส่งกิจไปคิดถึงคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาไปงานสวดศพพระอภิธรรมพร้อมพร้อมพระเราจะได้บุญแบบไหนครับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราไปสวดเรามีหน้าที่ไปฟัง เรารยาสนสวดไปอยู่บ้านสวนก็ได้ไม่ได้ไปสวนแข่งกับภาคหรอกถ้าวิตกกังวลมากคิดไม่หยุดเลยครับแก้ไขยอย่างไรดีครับใช้คำบาลทคำพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปเริ่มปฏิบัติธรรมมาสิบกว่าปีครับแต่แปลกใจที่ปีนี้ใจน้อมรับความตายได้ครับใจมุ่งอยากไปนิพพานครับอาจจะเป็นเพราะมันง่าย เริ่มเริ่มออกดอกอกผลขึ้นบาก็ได้จากการปฏิบัติที่นั้นได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานึกยาวนานอพอใ้วันในวันหนึ่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็ได้ผลมันกับผลลามาที่เราปลูกต้นทุเรียนปลูกกันต้องหลายปีกว่าที่มันจะออกด อ, อกคอกให้เราได้ตักบาทอยู่หน้าบ้านกับการไปทําบุญวันพระที่วัดอันไหนจะได้บุญครับ ได้บุเหมือนกันถ้าการเสียสละเท่ากันถ้าเราบริจาคร้อยบาทกับการใส่บาตรที่หน้าวัดอ้ิีน้าบา้านกับการไปทําบุญที่วัดด้วยเงินบริจาคเท่ากันก็จะได้บุญเท่ากันกาพระอาจารย์ครับหลานชายเพิ่งบอกมาว่าหนึ่งในแปดรายที่เสียชีวิตเป็นเพื่อนที่เรียนสวนกุหลาบและไม่ได้ดนด้วยการเป็นคนเก่งมากพูดได้ห้าถึงหภาษาเป็นคนติดต่อ ง, งานระดับประเทศบ้านมีฐานะ แต่งงว่าวันนั้นทําไมถึงนั่งรถเมล์และเสียชีวิตในรถเมล์ฐานะดีขนาดที่ควรจะมีคนขับรถให้ด้วยซ้ําเลยบอกหลานชายว่าฟ้าลิกิตในเขามาจบชีวิตตรงนี้ครับมันมีเหตุมีปัจจัยให้เขาจบชีวิตแล้วก็จบไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นเตรียมตัวตายไว้ดีที่สุดเตรียมสร้างบุญให้เยอะๆเผ่เวลาตายปุ๊บเราจะได้ในบุญไปพาเราไปเป็นสุขสุขติ ในขณะที่เกิดเวทนาจากการเจ็บป่วยเราสมควรปฏิบัติภาวนาในขณะนั้นหรือไม่เพราะจิตจะไปจับอยู่กับอาการเวทนานั้นใช่ไหมครับเราต้องภาวนาเพราะภาวนาเป็นการดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องภาวนาใช้สมาู้ใช้สมาธิและปัญญาสนับกันมนุษย์มีขันห้าในการรับวิบาก แล้วในนรกใช้อัตภาพไหนในการรับวิบาก ค, ครับก็นามขันธ์สี่เป็นตัวไปรับวิบากตัวจิตเนี่ยที่มีนามขัน 4, ธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ไปรับวิบากทั้งทางสุคติอุกคติไปสวรรค์ก็ใช้ขันธ์สี่นี่เป็นผู้รับวิบากของสวรรค์ไปละบายก็ไปรับวิบากในทางสมาในทางอาบายอาบายก็รับเรื่องของโทษความทุกข์ต่างๆ สว่างง่ายเรื่องของความสุขต่างๆอยู่ในรูปแบบของความฝันเนี่ยลาตายไปเราจะเข้าสู่แดนในระดับแห่งของของความความฝันถ้าฝันดีก็เป็นผลจากการทาบุญของเราถ้าฝันไม่ดีก็เกิดจากการทาบาปของเราเงินหนึ่งร้อยบาททาบุญกับวัดหรือทาบุญกับโรงพยาบาลได้บุญเท่ากันไหมครับ เท่ากันบุญคือความรู้สึกใจในใจของเราเนี่ยเราได้เสียสละเงินน้อยบาทให้ทําบุญให้ประโยชน์ครับาศาสนาก็ได้ทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ความรู้สึกสุขใจก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันทําช่องร้องเพลงลงโซเชียลเป็นบาปไหมครับไม่บาปันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของการมาฉันทาเรื่องของความยินดีในความสุขในรูป ของรูปเสียงกลิ่นไม่พ้นตาาการกรวดน้ำปากเปล่าหรือเรียกว่ากรวดแห้งจะถึงผู้ร่วงรับไหมครับถึงไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงด้วยก็ได้เพียงแต่คิดไปภายในใจก็ถึงมาทำสมาธิทุกวันช่วงเช้าวันละหนึ่งชั่วโมงนั่งเฉยรู้ลมแบบนี้เรียกอุปจาระสมาธิไหมครับ ไม่ใช่ล่ะอบจารสมาี่เป็นสมาธิแบบมีมีมมมอภิน ญ, ญามีตาทิพูทิทปรากิดขึ้นอบบนี้เรียกว่ากําลังทําสมาธิผลยังไม่ได้ทั้งอย่างอันนี้กะก็ไม่ได้อปญญาสมาธิก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่นิ่งยังไม่สงบคนที่เขาโชคดีถูกหวยรางวัลใหญ่ๆคือเขาได้ทําบุญกุศลไว้ใช่ไหมครับ ถ้าพูดหน้าเขาโชคดีครับอายุมากอยู่คนเดียวเจ็บป่วยรักษาไม่หายแต่ละวันก็อยากตายมีวิธีคิดให้เลิกคิดอยากตายไหมครับมีนั่งสมาธิทําใจให้มีความสุขเราจะไม่อยากตายคือจะไม่อยากอยู่ก็ไม่อยากตายหน้า แ, แต่ด้านทั้งสองอยา่างถ้าจิตมีสมาธิแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้อยู่ก็ได้ตายตายก็ไ ด, ได้ไม่มีความ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดเพราะเินมีความสุกตลอดเวลาจากการเข้าสมาธิของเราพระอาจารย์จะแสดงทางยูทูบประจําวันไหนบ้างครับคือมีการแสดงสดทั้งแบบที่เป็นสดจริงกับสดไม่จริงคือถ้าเป็นวันสดจริงก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการวันพระตอนบ่ายสองโมงแสดงธรรมที่น้ากุตินี้จะเป็นสดจริง สดที่ไม่จริงือเอาเทพที่ได้ออกอากาศเมื่อล่ามารันใหม่มาวีรันในวันที่ไม่ได้เป็นวันที่เริ่ะแสดงสดมีแสดงสดทุกมีแสดงทำทุกวันทุกบ่ายสองโมงทาง u ูทูและทางเฟ o บุ hmm. ๊กทางหน้าของเพจของคุณหมอก็มีเหมือนกันเนี่ยเฟซบุกมนีถ่ายทอดสดทางเพจ ทำบุญแล้วรู้สึกไม่อิ่มใจเหมือนก่อนจะได้บุญเหมือนเดิมไหมครับเพื่อความสุขเต็มอิ่มใจนั่นเป็นตัวตัวบอกบุญบุญไถ้ามันไม่อิ่มใจเหมือนแต่ก่อนแสดงว่ามันไม่อิ่มแล้วมันไม่พออาจจะต้องทำให้มากขึ้นก็ได้ฟังธรรมะ ก, ก่อนนอนได้บุญไหมครับถ้าถ้าได้ได้สมาธิก็ได้บุญ ถ้าได้ปัญญาก็ได้บุญแต่ถ้าไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้บุญจริตคนมันต่างกันบางครั้งแค่ได้ยินเสียงถอนหายใจยังผิดพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับอยากไปปรับใช้ครับก็ปล่อยวางจริตใครก็จะเห็นมันไม่ต้องไปยุ่งของเขาเหรอกไม่ใช่หรือ ตอนแรกจะโอนเงินไปทำบุญแต่เลยเอาเงินนี้ให้เด็กที่จะเปิดเทอมจะได้บุญไหมครับก็ได้บุญเหมือนกันนะไว้จากให้วัดไดื้อให้กับเด็กก็เป็นการทำทานเหมือนกันความสุขใจเกิดขึ้นชีวิตเจอแต่คนพาลครับจะทำอย่างไรครับ ก็เป็นไปหาคนเจรานี่วนะ่าเดี๋ยเข้าวัดไปยึไปผิดที่มันก็เจอแต่คนพานนี่คนพานเขาชอบอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตามหมอนตามเศร้าตามอา่าตามสถานที่มีอาบายามุกต่ตางๆแล้วก็อยากไปตามสถานที่หลังนั้นกระละกันเราไปวัดไปอะไรสถานที่มีแต่คนดีเข้าไปนั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญให้ผู้ที่ตายไปแล้วเขาจะได้รับบุญไหมครับ ไม่ได้หรอกว่าสมาธิของเรายังไม่เป็นผลยังไม่เกิดผลขึ้นมาการทำบุญให้ผู้ร่วงรับทำอย่างไรผู้ร่วงรับจักได้บุญครับกบริจางเงินท่ให้กับวัดก็ได้กับโรงเรียนก็ได้กับโรงพยาบาลก็ได้กับคันก็ได้ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คนเดียวทั้งวันทั้งคืนกลัวตัวเองจะป่วยแบบแม่ เริ่มหลงลืมแต่พยายามจะเจริญสตินะครับมันไม่เกี่ยวอะไรนะเอาสามารถของใครของมันมันไม่ใช่เป็นโรคติดต่อใช่ไหมหอ๋อไม่ติดต่อครับอาจารย์ครับอ <laughs> อยากทราบว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายถ้าเขารับโมฟีนจะมีผลกับจิตสุดท้ายไหมครับก็แล้วแต่ว่าเรา เรารับประมาณปริมาณเท่าไหร่ถ้าราับประมาณให้ถึงถึงความตายมันก็มีผลทำใมจิตสุดท้ายมันก็ตายมันก็จะออกจากร่างเร็วกว่าแต่ถ้าเราให้เพื่อรักษ า, าอาการเจ็บปวดมันก็อยู่ไปได้นานกว่าแค่นีงจิตสุดท้ายก็จะก็รอไปนานหน่อยถ้าให้ให้เต็มที่มันก็ตายเร็วก็ันก็ตายช้าตายเร็นัจิตสุดท้ายก็คือต่อความตายนี่ การสวดบทมหาจั ก, กรพรรดิจะทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ช่วยให้หายเบาบางลงบ้างไหมครับนอกจากจากะพบแพทย์แล้วครับโรคทางร่างกายไม่หายหรอกแต่โรคทางใจจะเบาบางลงความทุกข์ใจจะน้อยลงได้เพราะใจเราสงบมากขึ้นความสงบนี้ก็จะทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงไปเกิดเป็นฝาแฝดเพราะอะไรครับอันนี้าํารหมอดูนครับ ขอโอกาสครับโทษของการเป็นนี่สงเป็นเช่นไรครับต้องรับผลกับอะไรกับชีวิตครับเราไม่เป็นนี่สงหรอกเพราะเราให้ไปยืมเงินจากสงอยู่จะเป็นนี่ได้ไงนี่สงนี่เป็นนี่ของสงมันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเราไปกู้นี่กู้กันที่ของสงมามันก็เหมือนไปกู้เงินธนาคารนะก็ถึงเวลาเราต้องใช้นี่ไปเท่าถ้าใช้นี่ก็ไม่ไม่มีไม่บาตแต่อย่างไงแต่ถึงเวลาเราโกงนี่ก็มันก็บาตได้ สวดมนต์ทุกคืนได้บุญไหมครับอยที่ว่ามันสงบไม่สงบถ้าไม่สงมันยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญแต่มันได้เป็นการสร้างสร้างฐานไว้สำหรับให้เกิดบุญขึ้นมาให้เกิดผลขึ้นมาต่อไปสวดไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งมันอาจจะสงบขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไม่สวดในนี้โอกาสที่มันจะสงบนี่ยมันไม่มีเลยแต่ถ้าเราสวดอยู่เรื่อยๆวันใดวันหนึ่งมันอาจจะทําให้ใจสงบขึ้นมาก็ได้ ถามต่อว่าการสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันอย่างนี้มีอนิสงส์ในชาตินี้หรือชาติหน้าครับอาจารย์ในชาตินี้ก็ได้ในชาติหน้าก็ได้มันจะติดเป็นนสัยไปในชาติหน้าในชาตินี้ถ้าเราสวดถึงถึงจุดหนึ่งมันอาจจะเกิดผลขึ้นมาก็ได้เกิดความสงบขึ้นมาก็ได้การระลึกชาติได้มีจริงไหมครับจริง ต่ไม่ใช่เกิดกับทุกคนที่ปฏิบัติจิตภาวนาต้องเป็นคนที่มีมีวาสนาซึ่งท่านบอกว่าไม่มากร้อยละห้าคนเ่าที่แต่สามารถมีอภิญญาได้มีตาทิพูทิพได้ป่าพระอาจารย์ครับเวลานี้วางใจว่าตนเองก็เป็นวิญญาณมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกิด คนอื่นก็เช่นกันเป็นวิญญาจากที่ไหนมาเกิดแล้วมีกรรมต่อกันพอตายจากไปก็ตามยถากรรมตามที่ตนทา ม, มาคิดแบบนี้เป็นแบบเป็นมนโนกรรมฝ่ายใดครับก็เป็นธรรมทิฏฐิไงเป็นกรรมเป็นความจริงจะเรียกว่าเป็นกุศลก็ได้ฝ่ายกุศลหนูถูกเอาเปรียบ เพียงเพราะคําว่าซื่อสัตย์ไม่คดโกงเพราะยังยึดมั่นในคุณงามความดีแต่ความซื่อสัตย์นั้นกลับกลายเป็นช่องว่า้คนอื่นเข้ามาฉวยโอกาสและกลับมาทําร้ายตัวหนูเองหนูควรจะวางใจหรือความคิดอย่างไรดีครับเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงกราบขอปัญญาพระอาจารย์ครับคือความซื่อสัตย์ของเราเนี้มันก็เป็นความซื่อสัตย์อยู่อย่างนั้นใครจะพูดยังไงมันก็ไม่มาเปลี่ยนความซื่อสัตย์ของเราไปได้เห็นเราไม่ต้องไปกังวลกับคําพูดของคนอื่น เป็นอย่างที่ใครพูดกับคุณหมอว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยใครขยันมาเรียกเราควายเนี่เราเป็นควายหรือเปล่าเราก็ดูเรามีเรามีเขาเหมือนควายหรือเปล่าเรก็ไม่มีทั้อย่งางก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วห้ามเขาได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาจะพูดอะไรเขปล่อยเขาพูดไปแต่ความจริงของเราเราก็ยังเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เราก็ยังเป็นคนที่ซื่อสัรอยู่ไม่ได้เกิดจากการคําพูดของใครเลยแม้แต่แม้แต่นิดเดียวอย่าไปกังวลกับความพูดของที่ชมคนอื่นเนาะ เล่ท um ี่อาจารย์สอนนี้ผมได้เอามาขบคิดได้ใช้บ่อยเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองขบดูที่มีเขาไหมนะคร่บเวทีครับอืเวลาที่ฟังเทศอยู่แล้วคนนั่งอยู่ข้างๆพูดและคุยกันจะทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปสนใจตั้งใจฟังไว้เนี่ยเนี่ยได้มก็เปลี่ยนที่ย้ายที่ไปนั่งที่ที่ไม่มีคนคุยกัน กรวดน้ำจริงกับการกวดน้ําแห้งด้วยปากป่า ก, ากวดน้ําจริงจะถึงผู้ตายเร็วกว่าจริงไหมครับไม่จริงหรอกการกวดน้ําไม่ต้องใช้น้ําเลยใช้น้ําใจความสุขใจของเราเนี้ยแล้วราลึกภายในใจเขาส่งความสุขใจนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ลงับไปแล้วก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องมีน้ํามาเท หนูเข้าใจถูกไหมครับต้องมีความชำนาญในการเข้าสมาธิพอฟังธรรมทางปัญญาใจถึงทิ้งกายกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเกิดจากยาใจธรรมะโอสถการฟังธรรมทางปัญญาจะใช้ได้เมื่อเข้าสมาธิได้ถึงใช้ปัญญาต่อครับคือการฟังธรรมทางปัญญากับการนั่งสมาธิมีมีผลต่างกันผลจากการนั่งสมาธิทาให้ใจปล่อยวางได้มังเฉยได้ ส่วนการทันทำทางปัญญาเป็นการเรียนรู้ว่าเวลาเราทุกข์ใจแล้วถ้าอยากจะหายทุกข์เราต้องปล่อยวางแ้่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะปล่อยวางตามที่ปัญญาสอนได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรารู้ว่าการจะทําให้ใจที่ทุกข์นี้หายจากความทุกข์ต้องปล่อยวางแเราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังปล่อยทั้งนีนง้นี่คือหน้าที่ของปัญญาสมาธิมีกันหน้าที่กันสมาธิเป็นการพูก ผู้ปล่อยจริงๆก็คือสมาธิผู้สอนให้ปล่อยก็คือปัญญาทำดีกับคนไม่ขึ้นสุดท้ายตัวเองเดือดร้อนเป็นเพราะอะไรครับไม่เกี่ยวกันนะทำดีก็ทำไปจชขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้อยู่ที่การทำวดีของเรามันมีเหตุมีปัจจัยหลายด้านในการที่ทำให้เราเดินนันเสื่อมไม่ได้อยู่ที่การทำความดีกับคนนั้นคนนี้เพียงอย่างเดียว ใสบาตกับสวดมนต์นั่งสมาธิอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับถ้าบุนเร็ว่าใส่บาตได้ได้เร็วกว่านั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอาจจะอีกสิบปีอาจจะไม่ยังไม่ได้บุญยังไม่ได้ผลก็ได้การภาวนากับบริกรรมต่างกันอย่างไรครับคําบริกรรมก็คือให้เรานราเลือกถึงคําใดคำหนึน่งแล้วท่องไปเรียกรเรียกว่าบาริกรรมเช่นพุโทโธนี่ แล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วว่าท่องท่องจำอะไรกําก็คือการท่องจําพุโทโธพุโทโธไปการภาวนาก็คือการปฏิบัติจิตการพัฒนาจิตใจให้สงบด้วยด้วยสมาธิแล้วพัฒนาจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาหรือคําว่าภาวนาแปลเป็นสซึมเศร้าปลิดชี่ตัวเอง ถ้าเราสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเขาจะได้อานิสงไหมครับคือได้ขึ้นจากนารกไหมครับถ้าไปนรกนี้ไม่ขึ้นมาไม่ได้ต้องให้หมดเวรหมดกรรมก่อนคอยส่งบุญไปให้ช่วยเขาไม่ได้จะช่วยได้แหละเป็นพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณเป็นพวกที่เล่ร่อนไม่มีบุญแล้วลมาขอบุญที่เราเรียกว่าเปรตทาบุญอยูท่ที่เน้นอยู่ ท, ที่ให้กับพวกเปรตเท่านั้นพวกอย่างอื่นนรกก็ดีเดชะชานก็ดีอสูรนัตายก็ดีนี่ ไม่สามารถช่วยเขาได้มีคนพูดว่าคนที่กล้ายกย่องคนขี้โกงมีแต่คนชั่วขี้โกงด้วยกันเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงคนที่ยกย่องคนชั่วจะเป็นบาปไปด้วยกันไหมครับไม่เหมือนกันมนะีปัญหาที่มันช่เรื่องของเราท่าไหั้นไอ้เขาทำอะไรกันใของเขาไป ถ้าเราต้องการบรรลุธรรมหรือต้องการจะเป็นจะไปนิพพานอย่างนี้ถือเป็นโลภะไหมครับเป็นโลภะที่จะนินดีไม่เป็นที่ไม่เป็นกินเลสเป็นความโลภแบบดีเพราะว่านำไปสู่การดับดับทุกความโลภที่เป็นความโลภที่ไม่ดีก็คือความโลภที่นำไปสู่ความทุกข์เช่นอยากล่ามอยากรวยเนี่ยจะนำไปสู่ความทุกข์อยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันจะนาไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าอยากไปนิพพานนี่มันจะนาไปสู่ความสุข นั่งสมาธิจนสามารถคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้มีความเป็นไปได้ไหมครับหรือเป็นความฟุ้งไม่มีสติหรือมีจริงแต่ไม่ควรสนใจครับคือมนุษย์ต่างดาวที่เราจะคุยได้ในสมาธินี้เราไม่เรียกต่างดาวต่พบมากกว่าคือเป็นพวกที่อยู่ในโลกทิพย์พร ะ, ะเจ้าสแสดงธรรมให้กับพวกมนุษย์ต่างดาวทุกคืนพวกกายทิพย์ทั้งหลายจะมาสะแสดงธรรมในยามดึก ถ้าเราเถียงกับพ่อแม่แต่เราขอโทษแล้วอย่างนี้ยังเป็นบาปอยู่ไหมครับบาปที่ทำไปแล้วมันก็ยังบาปอยู่เพียงแต่ว่าการขอโทษเป็นการ ห, ากหักข้างใจิตใจเราว่าเราไม่ควรยีย่ยจะทำซ้ำอีกต่อไปช่วยป้องกันบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นถ้าขอโทษแล้วยังทำอยู่ทำซ้ำอยู่ก็อย่าไปขอโทษเสียเวลาเลยเพราะไม่ได้ขอโทษจริง ขอโทษเป็นแสดงว่าเห็นโทษของการกระทำของเราที่ไม่ดีเราจะไม่ทาตามอีกถ้าผู้ป่วยระยะท้ายไม่น้อมมาทางธรรมเราควรให้ผู้ป่วยปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ไปอย่างสงบครับก็ถ า, ะะ า, ง า, างว่าเด็กเขาจะจะทำยังไงให้เขาสงบวเขาชอบอย่างไรเขา่วยก็ทำ ไ, ไปอย่างนั้นบุญความหมายลึกๆคืออะไรครับความสุขใจ ฝากเงินให้ญาติไปใส่บาทแล้วเราค่อยกรวดน้ําหลังจากนั้นได้บุญไหมครับได้ฝากเข้าไปแล้วเรากรวดน้ําได้เลยรอให้เขาบอกเราไปว่าได้ทําบุญแล้วก็ได้บางทียังไม่ได้ทําบุญเพียแต่ฝากเข้าไปรอให้เขาบอกว่าได้ทําบุญแล้ ว, ว, ลวช่วยใส่บาทเสร็จแล้วเราค่อยหมุนทิศไป ทำบุญออนไลน์ได้บุญเหมือนเราไปที่วัดไหมครับเหมือนกันข้าพระอาจารย์ครับเวลาชีวิตของเราต้องเจอกับอุปสรรคและเรื่องแย่ๆแล้วเราสวดมนต์ไหว้พระน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยละธิฏฐานขอกุศลที่เราทํามาสําเร็จดีแล้วทั้งหมดจงช่วยดลบันดาลให้เราหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงผลบุญจะส่งผลช่วยให้เราหลุดพ้นจาก ทุกทั้งปวงได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของวิบากกรรมการทำกรรมมั น, นวันนี้มันไม่ต้องรับผลของวิบากนั้นไปบางส่วนวันนี้เพื่อรับความทุกข์ใจนั่นเองทาให้ใจสงบแล้วก็ไม่ไปกังวลกับวิบากกรรมที่กําลังเกิดขึ้นกับเราอนวิบากกรรมนี่ก็ไปห้ามไม่ได้ไปหยุดมันมไม่ได้แม้แต่ผ้ า, าหารนก็ยังหยุดมันไม่ได้พระโมกข์ลากยังหยุดวิบากกรรมของตนเองไม่ได้ ยังต้องถูกถูกเขาฆ่าตายไปไม่ค่อยได้ใส่บาทแต่ว่าหยิบยื่นให้พ่อแม่ใช้บ้างตามมีอันไหนได้บุญกว่ากันครับเหมือนกันทำใส่บาทก็ได้ให้พ่อแม่ใช้เอาเงินให้พ่อแม่ใช้ก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันตอนนอนให้ท่องคําว่าพุทโธจนกว่าจะหลับไปเพื่ออะไรครับ จะได้นอนหลับง่ายถ้าไม่พูดโทรศ่พทให้คิดอาจจะนอนไม่หลับกันนะขอโอกาสครับเคยนั่งสมาธิพิจารณาตัดอวัยวะตัวเองโดยแบ่งเป็นเจ็ดส่วนคอบ่าไหล่ศีรษะหนึ่งแขนขวาสองแขนซ้ายสามลำตัวแบ่งครึ่งหน้าสีครึ่งหลังห้าขาขวาหกข า, 6, ขาซ้ายเจ็ดแล้วถอยเอาอวัยวะมาต่อกันเหมือนเดิม เ้าสี่สามหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นบุญไหมครับทำแล้วรู้สึกเบาดีครับกว่านั่งสมาธิพราะเคยนั่งแล้วเผลอหลับดีผึงตกจากเตียงเลยครับก็เป็นการฝึกปล่อยวางร่างกายหน่ร่างกายว่าต่อไปสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอาจจะถูกเขาจับไปตัดแขนตัดขาตัดอะไรก็ได้เป็นการฝึก ดูสภาพความเป็นจริงของร่างกายวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นซากศพไปเวลาที่เราบวชเป็นพระเราเอาเงินที่สวดมนต์ไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาบาปไหมครับอาจารย์ควาจริงกนนี้มาใช้ในกิจของสมมากกว่ากิจของศาสนา คนนี่ก็าถวายเงินถามาในเพื่อสนับสนุนเรื่องสามัญนาบริบโก้คือปัจจัยสี่ของพระเช่นถ้าพระไม่สบายต้องซื้อยามากินอย่างนงี้ใช้ได้แต่ไม่ใช่เอามาตอบสนองกิเลสตัณหาอยากจะซื้อไ iPhone นุ่นใหม่ก็เอามันนี้ไปซื้อนอกจากว่าถ้ า, ามาใช้ประโยชน์กับทางาศาสนาเผยแผ่ธรรม ก, ก็ก็เป็นไปได้แต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยคิดกันเท่าไหร่แล้วเขาถือว่า ถ้าเขให้มาแล้วเงินของเราแล้วเราจะไปใช้อะไรก็เรื่องของเรา แ, รแต่โดยหลั ก, ลกทฤษฎีความจริงการถอนเงินของญาติเพื่อมาทดแทนปัจจัยสีที่อาจจะขาดแคลนบางวันอาจจะป็นาบธบไม่ได้อาหารมาให้ลูกเสียไปเสื้อหามากินนี้ต้นครับลูกตัด บ, บาทอุทิศส่วนกุศลไม่ทันพระไปก่อนอุทิศต่อได้ไหมครับ <C oughs> คือถ้าเราทําุญแล้วเราโมชิดได้ทันทีเลยไม่มีความสุขเลยครับจิตสับสนวุ่นวายกโกรธทุกคนไม่ถูกใจอะไรกังวลโมโหทําอย่างไรดีครับเราจูจี้จุกจิก่งความอยากเยอะอยากให้ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อยากทําทให้ถูกใจเราพอก็ไม่ถูกทําไม่ถูกใจเราเราก็โกรธเขา พยายามฝึกสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาจะทำไงก็ได้เขาจะยิ้มกับเราก็ได้เขาจะด่าเราก็ได้แล้วเราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่วุ่นวายใจอาณาปานสติมายี่สิบกว่าปีเห็นเกิดดับแต่ก็ไม่ไปไหนควรเพิ่มอะไรอีกไหมครับก็ให้ดูลมอย่างเดียวดูเข้าออกที่ปลายจมูก จนกง่าจิตจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาอาจจะนั่งน้อยไปอาจจะนั่งแล้วใจรอยไม่ได้อยู่กับลมอย่างต่อเนื่องนั่งไปยี่สิบปีมันก็เหมือนเดิมต้า น, น, นั่งแบบนี้มันต้องนั่งแบบมีสติจดจอ่อยูกับลมเพียงอย่างเดียวถ้ามันต่อเนื่องกันได้ถ้าห้านาทีมันก็จะสงบได้ การทําคลิปสั้นคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ดนตรีประกอบคลิปลงโซเชียลถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าครับควรใส่หรือไม่ครับก็ต้องถามตัวยเราใส่ไปทําไมเฮ้ยเพื่อนของใส่ทําไมทาให้ทำนี้สว่างจ้งขึ้นมาหรือเปล่าทำให้คนฟังแล้วเข้าใจดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเหตุนมผนผลก็ใส่ไปได้แต่ถ้าใส่ไปเพื่อให้คนเขาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงอันนี้ก็เป็นกิเลสนะ ดีไม่ดีไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเสียงธรรมไปฟังแต่เสียงเพลงแดนวสีคืออะไรครับมีความสําคัญอย่างไรกับสมาธิและมีความจําเป็นอย่างไรก่อนออกปัญญาครับมรู้สึกจะเป็นกระสินชนิดหนึ่งไหมวสีเป็นเป็นกระสินเป็นสีสีเกี่ยวสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้ะ ไม่ผมไม่กล้าออกข้อผิดครับถ้ามีคนถามดูถามกูก็ดูว่าว่าสีแตะว่าอะไรช่วยแปลมาให้หน่อยนะที่นี่ไม่ใช่เก่งทางบาลีเท่าไหร่ผมเท่าที่ผมเข้าใจเคยเคยเข้าใจว่าว่าสีคือผู้ที่ชํานาญอะไรประมาณเนี้ยครับอาจารย์ฝึกจ<า>นชํานาญเรื่องภาษาีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกข้อไว้นะครับอาจารย์ครับ ขังคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไว้ในบ้านแต่ดูแลอยู่ไม่ห่างเราจะได้รับผลกรรมเหมือนเราถูกขังคุณแม่ไหมครับแล้วแต่เหตุผลถ้ากักขังพเพื่อป้องกันไม่ให้เธอไปเป็นอันตรายกับชีวิตของตนเองก็ก็ไม่ไม่เป็นการกักขังไปการป้องกันนอกจากว่าถ้าเธอไม่ต้องการแล้วก็อย่าไปบังคับเธอแล้วกันคุณแม่บอกอยากอยากขังอะไร ป, ปล่อยให้เราทำอะไรตามอิสระก็ต้องปล่อยไป สภาพของเขาเราจะทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรครับก็ดูแลท่านเลี้งดูท่านถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องเป็นผู้ดูแลท่านบางทีท่านาอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นมานี่ท่านจะทำอะไรเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือของเราเราก็ต้อดูแลแยอย่างมีญาติเลี้งคนหนึ่งนี่เขาก็ชอบใส่บาตรทุกวัน ทีตอนนี้จะมาใส่บาทเองก็ไม่ไหวต้องให้มีลูปประคับประคอง ม, มาต้องมีวอลเกอร์ต้องมีคนมาช่วยอย่างนี้ก็ต้องต้อง ด, ดูแลไปช่วยนะปะัญจกอาจจะจากกันไป <c oughs> รู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่แม่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นซ้ำๆเคยห้ามไม่ให้พูดแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ห้ามใจตัวเองไม่ให้หงุดหงิดก็ไม่ได้ครับ คนวางใจอย่างไรครับคนวางใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคุณนม่จากสม้มให้กลายเป็นกล้วยไม่ได้ท่านชอบว่าใครก็ปล่อยท่านว่าไปเราเปลียนตัวเราได้แต่เราต้องพยายามพยายามนิ่งเฉยๆอย่าไปกังวลเกี่ยวกับการกระทั่ของคนอื่นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนญาติโยมท่านมารณภาพจะไปนิพพานไหมครับ ก็แต่ว่าทำที่ท่านบรรลุอยู่ขั้นไหนมันมีหลายขั้นเหมือนกันขั้นศีลขั้นสมาธิขัรร้นปัญญาข อ, อกาสครับในการใช้ชีวิตอยู่กับโลกมีเรื่องที่เราต้องปกป้องตัวเองนะทรัพย์สินของเราเช่นเราต้องฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดปลวกแมลงสิ่งพวกนี้จะทำให้เราไปอบายหรือนรกเลยไหมครับไม่ได้ถ้าเราทบาบาปมากกว่าทบุญ เพราะการฆ่าสัตว์นั้นแต่แน้อยๆก็เป็นบาปเหมือนกันถ้าทํามากๆมันสะสมไดายเป็นบาปใหญ่ขึ้นมาบาปมากขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ทําบุญเลยบาปมากกับบุญตายไปบาปกาอยะางหนึ่ให้เราไปเป็นสัตว์ในอาชานได้นั่งสมาธิยังไงให้เกิดผลครับนั่งแบบมีสติเช่นบริกรรมพุโทโธไม่ให้ไปคิดตรงนั้นตรงนี้อยู่กพุโทโธไปเพียงอย่างเดียว คนที่ตายแบบไม่รู้ตัวจิตจะเป็นอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันะเป็นซึมเศร้าครับบางวันดิ่งอยากกินยาให้หลับไปเลยตัวเราของเราคิดแบบนี้เป็นบาปไหมครับบาปไม่นคนที่จะไปทำ้ายร่างกายของใคร้็ตาลของเราเรื่องของคนอื่นไว้ให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมัน หายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปเป็นคันอุปมาในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับอ่าก็สอนว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าถ้าเราทําบาปเราจะไปอนรกไปอะไรไเพราะได้ศึกษาก็ได้เรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเปิดของที่ปิดให้เห็นว่า มีจริงบางคนไม่เชื่อนะเรืเรื่องสวรรค์พอมาศึกษาทางธรรมก็จะมีคำสอนว่าเป็นความารจริงนั่งสมาธิแล้วปวดขาต้องทํำยังไงครับก็แยกกันไปเลยขาก็ปล่แล้วปวดไปแล้วนั่งสมาธิขอเราต่อไปอย่าไปกังวลกับครับเจ็บปวดของร่างกายนั่งสมาธิแต่ยังไม่สงบแต่มีความตั้งใจ สามารถส่งบุญจากการนั่งสมาธิให้พ่อแม่ได้ไหมครับยังไม่สงบ ก, ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลการเซ็นให้มอร์ฟีนกับไม่เซ็นบาปต่างกันไหมครับคือการเอามอร์ฟีนไปใช้แบบไหนถ้าใช้รักษาโรค ก, ก็ไม่บาปแต่อย่างใดถ้าใช้เพื่อทําให้ชีวิตตายไปนี่ก็บาป พ่อป่วยเป็นอมพาสแล้วท่านท้อแท้จะบอกเขาอย่างไรดีครับชอบถามคำถามเหล่า น, นี้เหลือเกินชอบไปสอนคนอื่นแต่ตัวเองมันจะสอนยังไงเราจะเอาภาพไปเป็นแอบอ้างไปสอนพอไม่อยากจะตอบเขาเอาไปด้วยคำถามแบบนี้เลยฝากอาหารเขาไปทำบุญทุกวันพระแต่ไม่ได้กรวดน้ำครับพ่อแม่จะได้ส่วนบุญไหมครับ นายมาว่าอีกทีเพิ่มฟังไม่ได้ฟังแบบฝากอาหารไปทําบุญทุกวันพระครับแต่ว่าไม่ได้กวดน้ําครับพ่อแม่จะได้ส่วนบุญไหมครับหมายถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้กวดเขาก็จะไม่ได้บุญต้องต้องกวดแต่ไม่ต้องใช้น้ำไม่ได้กวดกวดไปภายในใจนเล็กภายในใจเขาที่ส่วนบุญได้ครับพ่อแม่ที่ล่วงละลายแล้วเขาก็จะได้รับบุญนี้ การลดกิเลสตัณหาด้วยการรักษาศีลภาวนาและการกำหนดลมหายใจพุโทโธเราจะชนะกิเลสตัณหาได้ไหมครับได้พระพุทธ เ, เจ้าว่าใช้วิธีนี้เราต้องทำให้มันมากทำให้มันมากกว่ากิเลสที่เรามีอยู่ มีคนบอกมาแล้วครับอาจารย์บอกว่าสีในทางพุทธศาสนาหมายถึงความชํานาญความคล่องแคล่วว่องไวหรือความมีอํานาจเหนือสมาธิและฌานที่ตนได้ฝึกฝนมาทําให้สามารถเข้าออกและควบคุมสมาธิในฌานนั้นๆได้อย่างใจปรารถนาครับอาจารย์ข้อความของบุ๊กเกอร์ผมป่วยติดเตียงอยู่ครับเป็นคนคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับเลยครับต้องทํายังไงดีครับอาจารย์ ก็หยุดคิดเสใช้ธรรมะในการพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดถ้าอยู่พุโทโธพุโทโธไปแล้วความคิดก็หยุดแล้วอาจารเราก็จะนอนหลับอย่างสบายคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเขาว่าคนฆ่าตัวตายจะต้องตกนรกแต่ถ้าตอนมีชีวิตอยู่เขาทําบุญบ่อยไม่ว่าจะไปวัดให้ทานกับสัตว์เขาจะอยู่นรกนานไหมครับก็แล้วแต่ว่า บุญกระบาบอันหนมีกำลังมากน้อยต่างกันเท่าไหร่ถ้ามีบุญเยอะอาจจะไปอยู่ในนรกไม่นานก็ได้ถ้ามีบุญน้อยอาจจะอยู่ในนรกนานกว่าก็ได้ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ6 3 8ในยู611ในคลับ4ในติ๊กตอ6 4 2นะครับรวม 1,895 คนนะคะพระอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมสนทนาฟังธรรมกันเพังว่าคงจะได้เกิดปัญญาเพื่มจะได้นำไป ใ, ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับคนนี้ลก็คิดว่าพอสมควรเก็บเวลาขอให้ท่านกนำลังเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเทอรสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้